รับบริการส่งพัสดุตามผีบอกสัมผัสสยองผมชื่อเอกพลครับแต่เพื่อนๆมักจะเรียกผมว่าเอกซึ่งผมก็ชอบให้เรียกว่าเอกเพราะว่ามีความหมายดี ก็เอกแปรว่าที่หนึ่งไงครับหลังจากจบชั้นม .6 ผมก็ไม่เรียนต่อไม่ใช่ว่าไม่มีเงินเรียนและไม่ใช่ว่าไม่รักดีแต่แถวแถวบ้านผมชาวบ้านส่วนใหญ่เขาไม่เรียนต่อกันเพราะเขาดำเนินชีวิตแบบพอเพียงดังนั้นลูกๆ ก, ก็ต้องช่วยพ่อแม่ทำงานที่บ้านเช่นทำไร่ทำสวนและเลี้ยงสัตว์รายได้พอเลี้ยงตัวมีกินมีใช้ ไม่ไปรบกวนใครชีวิตอาจไม่เลิศหรูแต่ปากอิ่มท้องอิ่มจะเอาอะไรกับชีวิตครับดังนั้นชีวิตแบบนี้มันไหลาตามน้ำซึ่งไม่มีอะไรตื่นเต้นแต่ด้วยที่ผมชื่อเอกและอยากเป็นที่หนึ่งของทุกๆเรื่องโดยเฉพาะการได้ออกผจญภัยนอกบ้านจึงเป็นความฝันที่ผมตามหาเพราะผ ม, มาอายุยี่สิปี จากการที่ผมเคยขับรถกระบะเก่าๆหนแกบลบหนขี้บัวหรือบางครั้งก็เอาผลผลิตจากสวนไปขายจึงทำให้ผมขับรถยนต์เป็นดังนั้นผมจึงสอบใบขับขี่รถยนต์และสอบผ่านเสียด้วยความฝันของผมเริ่มจะเป็นจริงเมื่อมีพี่ชายคางบานชวนผมไปสมัครทำงานเป็นพนักงานส่งพัสดุให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง ที่มีการบริการส่งพัสดุทั่วราชอาณาจักรไทยนั่นก็หมายความว่าผมจะได้ไปส่งของยังจังหวัดต่างๆที่ผมจะได้รับผิดชอบเส้นทางนั้นเมื่อผมสมัครทำงานได้แล้วผมก็ได้รถประจำตำแหน่งหนึ่งคันเป็นกระบะที่เขาดัดแปลงเพิ่มตัวถังข้างหลังเป็นตู้เก็บของสามารถบรรจุพัสดุได้มากพัสดุที่คนจะส่ง ก็จะมีการโทรศัพท์ไปแจ้งยังบริษัทให้ไปรับที่บ้านลูกค้าพร้อมกับการจ่ายค่าบริการเรียบร้อยแล้วพนักงานก็จะนำพัสดุเหล่านั้นมารวมกันที่บริษัทและก็จะมีพนักงานคัดแยกแบ่งสายเป็นโซนพื้นที่ที่จะต้องไปส่งของให้ผู้รับบริการเมื่อของขึ้นรถเสร็จแล้วนั่นแหละก็จะเป็นหน้าที่ของผมจะต้องเป็นคนขับรถ ออกไปส่งพัสดุตามรายทางที่มีการทำรายการมีจุดส่งของมีรายชื่อผู้รับมีเบอร์โทรศัพท์และยิ่งสมัยนี้มีระบบ GPS ด้วยแล้วยิ่งสบายรับรองว่าพัสดุไม่หลงหายไปไหนผมว่าการใช้บริการส่งของหรือการซื้อของออนไลน์ก็ดีนะครับเพราะประหยัดค่าใช้ใจ่ายไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องเดินทางไปซื้อเองด้วยช่วงแรกๆทางบริษัทก็จะให้ผมส่งพัสดุในระยะทางไกลๆเพื่อให้พนักงานคล่องตัวกันก่อนหลังจากนั้นค่อยเดินทางขึ้นเหนือลองตายแล้วแต่หัวหน้าจะแบ่งโซนให้กับแต่ละคนก็ดีเหมือนกันครับผมต้องหาประสบการณ์ก่อนจะได้สร้างผลงานจนหัวหน้าไว้วางใจผมเลยทางานอย่างตั้งใจมาก ที่จริงแล้วผมก็รักงานนี้นะเพราะผมเป็นคนชอบให้บริการพูดคุยเก่งถือว่าเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีคนหนึ่งวันนี้เช่นกันผมได้เข้าไปรับงานที่บริษัทแต่เชา้าหลังจากที่พนักงานยื่นรายการส่งของให้ผมแล้วผมก็เดินไปที่รถประจาตําแหน่งที่จอดอยู่ในโกดังของบริษัทก็เห็นว่า มีพัสดุบรรจุอยู่เต็มคันรถคิดว่าวันนี้คงต้องไปส่งหลายที่เลยทีเดียวผมจึงขับรถออกจากบริษัทและเปิดดูเส้นทางตามรายการวันนี้ผมได้รับมอบหมายให้ไปส่งของในจังหวัดใกล้เคียงระยะทางไม่เกิน100รกิโลเมตรจังหวัดที่ผมไปนี้เป็นจังหวัดเล็กๆในภาคเหนือพัสดุที่ผมส่ง ก็มีทั้งกล่องใหญ่ๆเท่าตู้เย็นหรือกล่องเหล็กเท่าฝ่ามือของส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นอะไรดังนั้นการขนย้ายต้องระมัดระวังแต่ถ้ามีคำเขียนว่าระวังแต่นั่นแหละที่ต้องระวังเป็นพิเศษก่อนจะไปส่งของให้ลูกค้าแต่ละบ้านผมก็จะต้องโทรศัพท์เปิดทางดูก่อนว่าผู้รับอยู่หรือเปล่าบางทีถ้าไม่พบผู้รับ ก็อาจจะให้ญาติเซ็นชื่อรับพัสดุแทนการเซ็นรับพัสดุเดี๋ยวนี้ก็ง่ายเพียงใช้นิ้วมือเขียนชื่อลงไปในโทรศัพท์ก็จะได้หลักฐานที่ส่งให้บริษัทแล้ววันนี้ผมตระเวนไปส่งตามหมู่บ้านต่างๆกว่าของจะหมดก็เป็นเวลาเกือบมืดคำ่ำและยังมีชิ้นสุดท้ายที่ผมจะต้องนำไปส่งผมขับรถ ตามตำแหน่งที่ GPS บอกทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขับตรงยิ่งขับก็เหมือนจะเข้ารกเข้าป่าไปเรื่อยๆผมจึงใช้โทรศัพท์โทรไปตามเบอร์ที่บอกไว้ก็มีเสียงผู้หญิงรับอยู่ที่ปลายสายและบอกว่าตอนนี้เธออยู่บ้านผมใจชื้นขึ้นมาเพราะภารกิจของผมวันนี้ใกล้จะสำเร็จแล้ว ผมขับรถไปตามถนนลูกรังที่สองข้างทางก็เป็นทุ่งนาที่เขียวชอุ่มข้าวในนากําลังตั้งท้องแต่ยังไม่สุก ข, ขับรถผ่านไปก็เจอสวนสักและสวนยางพาราขึ้นอยู่เต็มสองข้างทางพอสิ้นสุดแนวป่าก็เป็นปากทางเข้าหมู่บ้านที่ผมจะต้องไปส่งพัสดุผมจึงยกโทรศัพท์โทรเข้าไปยังปลายทางอีกครั้ง โดยเธอบอกให้ผมขับรถตรงไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอวัดของหมู่บ้านเลี้ยวซ้ายก็เจอต้นไม้ใหญ่เรียกว่าต้นเพิงพอมองขึ้นไปก็จะพบรังพึ่งป่าทำรังใหญ่มานบับสิบสิบรังจากนั้นก็พบชาวบ้านอีกสองหลังบ้านที่ผมจะไปส่งพัสดุเป็นบ้านหลังที่สามเธอบอกให้ผมสังเกตประตูนาบ้าน ที่เป็นรั้วไม้ไผ่สารขัดแตกและทีหน้าบ้านจะมีต้นไผ่สามกอพอผมขับรถไปถึงประตูบ้านแล้วมองเข้าไปภายในบริเวณบ้านก็เห็นบ้านหลังใหญ่ซึ่งเป็นบ้านไม้ทรงไทยแต่ดูแล้วค่อนข้างเก่าชั้นล่างของบ้านถูกต่อเติมด้วยอิฐไม่มีการฉาบปูนเมื่อมองดูสภาพบ้านก็น่าแปลก ที่มันทำให้ผมเกิดรู้สึกเหงาเงาขึ้นมาตอนนี้เป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วบรรยากาศก็ยิ่งดูวังเวงชอบกลนสักพักก็มีผู้หญิงอายุ ป, ประมาณเกือบเกือบสี่สิปีเดินออกมาเธอแต่งตัวแบบชาวบ้านนุ่งผ้าถุงและสวมเสื้อสีเหลืองหม่นๆเธอยิ้มทักทายให้กับผมผมจึงหยิบกล่องพัสดุเป็นห่อเล็กๆประมาณเท่าฝ่ามือ ยื่นให้กับเธอพร้อมกับถามเธอว่าคุณสุนีใช่ไหมครับแต่เธอสายหน้าพร้อมกับตอบว่าเป็นพี่สาวชื่อสุรีจ้าผมจึงบอกว่ารับแทนก็ได้ครับและช่วยเซ็นรับให้ด้วยนะครับผมได้ยื่นโทรศัพท์ให้เธอเซ็นชื่อขณะที่เธอกำลังเซ็นชื่ออยู่ผมแอ บ, บสังเกตเห็นว่าเธอมีสีหน้าวิตกกังวลอะไรบางอย่าง มือของเธอมีอาการสั่นเล็กน้อยแล้วเธอก็เอ่ยออกมาว่าใครส่งมาให้นะผมจึงตอบไปว่าชื่อคนส่งอยู่ที่ด้านหน้าพัสดุแล้วครับเธอเพ่งมองดูแล้วพึมพำว่าเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่งก็มีด้วยเสร็จแล้วเธอก็เงยหน้ามองผมและกล่าวเชิงขอร้องว่ากรุณาอยู่ช่วยฉันเปิดพัสดุหน่อยได้ไหม ไม่รู้ว่าใครส่งอะไรมาให้คุณจะได้ช่วยเป็นพยานให้ด้วยพอพูดจบเธอก็ยื่นพัสดุให้ผมช่วยแกะออกผมรับมาและในใจก็คิดว่าคงไม่เป็นไรเพราะผมก็ไม่ได้รีบกลับบ้านสักเท่าไหร่อีกอย่างพัสดุชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วอยู่ช่วยเธอแกะของดูก่อนก็ได้ผมจึงใช้มีดคัตเตอร์ ค่อยๆแก่พัสดุออกก็พบว่ามีกระดาษหนังสือพิมพ์ห่อข้างในอีกผมค่อยๆแกะกระดาษออกนับดูแล้วได้เกือบเจ็ดปชิ้นจนเหลือกล่องพลาสติกขนาดประมาณผลมะนาวเธอยื่นมือมาขอของเพื่อที่จะเปิดกล่องพลาสติกออกปรากฏว่าข้างในบรรจุเหรียญที่ทำด้วยเงินแท้หนึ่งเหรียญคล้ายกับเงินที่สร้างขึ้นมา เพื่อเป็นเหรียญที่ระลึกแต่ข้างในไม่มีจดหมายหรือข้อความใดๆผมยืนมองดูโดยไม่มีอาการแปลกใจแต่อาการของเธอนี่สิมีอาการสั่นเทาและท่าทางจะเป็นลมผมจึงช่วยประคองเธอเข้าไปพกักที่ม้านั่งหน้าบ้านเพราะเธอได้สติเธอก็บอกกับผมว่า สุนีน้องสาวฉันได้สินใจตายไปเมื่อสามเดือนที่แล้วอีกสิบกว่าวันจะครบร้อยวันฉันกําลังจะจับงานทำบุญให้เธอและเงินนี้คือเงินปากผีที่สามีของสุนีนำไปใส่ไว้ในปากของเธอแล้วได้ฝังศพเธอพร้อมกับสมบัติที่มีค่าอย่างอื่นอีกหลังจากฝังศพเธอได้ประมาณเจ็วัน ก็มีคนร้ายได้ลักลอบขุดหลุมฝังศพของเธอขโมยของมีค่าที่ทางสามีละหยัดหยาดได้ฝังไว้กับศพเพื่อให้เธอนำไปใช้ในภพนาตามความเชื่อในนั้นมีสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือทองคำและของมีค่าอื่นๆอีกพร้อมกับเงินที่ใส่ไว้ในปากของผู้ตายได้หายไปด้วยทางยัดยาดได้แจ้งความกับตารวจจนเวลาผ่านไป ก็ยังจับผู้ร้ายไม่ได้เลยและนี่อาจจะเป็นบาะแสที่จะจับผู้ร้ายได้ผมจึงแนะนำให้เธอโทรศัพท์ไปยังหมายเลขตามที่ปรากฏอยู่ตรงที่อยู่ของผู้ส่งเธอก็ยกโทรศัพท์โทรไปและมีเสียงปลายสายโทรศัพท์ตอบกลับมาว่าเขาชื่อสมศักดิ์เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ป่วยทางจิตอยู่ในจังหวัดใกล้เคียง และมีผู้ป่วยคนหนึ่งได้มอบพัสดุให้คุณสมศักดิ์เป็นคนส่งตามที่ผู้ป่วยคนนั้นได้เขียนชื่อและที่อยู่ให้เมื่อรู้ดังนั้นคุณสุรีจะได้นัดหมายกับคุณสมศักดิ์เพื่อที่จะขอพบผู้ป่วยคนนั้นผมจึงได้อาสาจะไปเป็นเพื่อนเธอเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของผมพอดีวันรุ่งขึ้นผมจึงขับรถกระบะคันเก่าของผม ไปรับคุณสุรีที่บ้านเพื่อเดินทางไปหาคุณสมศักดิ์ที่โรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยด้านโรคจิตหรือโรงพยาบาลบ้านนั่นเองเมื่อไปถึงโรงพยาบาลคุณสุรีก็ได้ไปถามเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่เคาเตอร์ก็ได้รู้ว่าคุณสมศักดิ์กาลังเดินแจกอาหารให้ผู้ป่วยในตึกสามที่อยู่ด้านหน้าพวกเราจึงขออนุญาตเข้าไปพบคุณสมศักดิ์ เมื่อพบคุณสมศักดิ์สวัสดีและทักทายกันแล้วคุณสมศักดิ์ก็ชี้ให้ดูผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังนั่งอยู่กับกลุ่มผู้ชายด้วยกันซึ่งแต่ละคนก็จะมีอาการแตกต่างกันไปบางคนก็นั่งนิ่งมองดูใบไม้อีกคนก็นั่งยิ้มอยู่คนเดียวแต่ชายที่คุณสมศักดิ์ชี้นั้นนั่งกลมหนานิ่งสายตามองที่พื้นคุณสุรีจึงพูดขึ้นว่า เขาก็ดูเป็นปกติดีนะคะคุณสมศักดิ์ตอบว่าก็คุ้มดีคุ้มร้ายนะครับบางครั้งก็พูดคุยรู้เรื่องพอพูดจบคุณสมศักดิ์ก็กวักมือเรียกผู้ชายคนนั้นนัดนัดมาคุยกันหน่อยเมื่อนายนัดโดนเรียกชื่อก็หันมามองและลุกเดินมาหาคุณสมศักดิ์คุณสุรีก็เอ่ยปากพูดกับนัดว่า ฉันเป็นพี่สาวของสุนีพอนายนัดได้ยินชื่อของสุนีแกก็มีอาการตกใจกระอึกกระอักพูดว่าผมคืนแล้วนะอย่ามาทําอะไรผมผมคืนของให้แล้วผมคืนให้แล้วคุณสมศักดิ์จึงบอกให้หนายนัดใจเย็นๆทุกคนไม่ได้มาทําอะไรเพียงแต่อยากถามบางอย่างเท่านั้นนายนัดดูมีอาการสงบลงบ้าง คุณสุรีเลยถามว่านายนัดลองเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฉันฟังหน่อยสินายนัดทำท่ามือลอยสักพักแล้วก็เล่าว่าในคืนหนึ่งเขากับนายโนตและนายวิทย์ได้ล้อมวงสูบกัญชาด้วยกันขณะที่กำลังเคลิบเคลิ้มอยู่นั้นนายโนตก็ได้เสนอว่าจะพากันไปขุดศพของสุนีเพราะรู้ข่าวมาว่า มีการฝังทรัพย์สินในหลุมศพด้วยความคึกขนองและอยากได้เงินนายวิทจึงตอบตกลงส่วนนายนัดไม่ขอรวมด้วยเพราะกลัวผีนายโน้ตเลยบอกให้นายนัดคอยเป็นผู้ดูต้นทางไม่ต้องเข้าไปที่หลุมศพก็ได้นายนัดเลยยอมไปด้วยนายโน้ตและนายวิทช่วยกันขุดจนเวลาผ่านไปสักพักนายโน้ตและนายวิทก็เดินออกมา พร้อมกับนำสร้อยข้อมือทองคําและเหรียญเงินอีกหนึ่งเหรียญให้นายนัดเป็นส่วนแบ่งส่วนของที่เหลือเป็นอะไรบ้างนายนัดบอกว่าไม่รู้เพราะนายโน้ตกับนายวิทย์ไปตกลงแบ่งกันแค่สองคนแล้วทั้งสามคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านหลังจากนั้นไม่นานทางญาติของศพก็แจ้งความจับคนรายทั้งสามคนก็เลยหนีออกนอกพื้นที่ นายโนดได้หนีไปอยู่กรุงเทพไปทำงานก่อสร้างและทราบข่าวต่อมาว่าได้ประสบอุบัติเหตุตกนั่งร้านตายอย่างน่าสยดสยองส่วนนายวิทย์ก็เกิดอาการจิตหลอนคลุ้มคลั่งแล้วก็หายออกจากบ้านไปอาจจะเป็นเพราะฤทธิยาเสพติดหรือยังไงก็ไม่รู้มาพบนายวิทย์อีกทีก็กลายเป็นศพร่างแหลกขาดเป็นชิ้นชิ้นที่รางรถไฟ บางคนก็เดาวอาว่านายวิทย์เมายาและได้ฆ่าตัวตายโดยไปนอนให้รถไฟทับส่วนนายนัดหลังจากหนีมาอยู่กับญาติที่จังหวัดไกลๆก็ได้นำสร้อยข้อมือทองคำไปขายแล้วก็เสพ ย, ยาจนมีอาการจิตหลอนเขามักพูดบ่อยๆว่ามีคนมาด้อมด้อมมองๆเหมือนหาวการจะมาฆ่าตนจนญาติเห็นอาการไม่ดี จึงพามารักษาและบำบัดที่โรงพยาบาลแห่งนี้คืนหนึ่งนายนัดฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาตนด้วยใบหน้าเศร้าหมองและทวงข้าวของขอ ง, ของเธอคืนซึ่งสมบัติของเธอที่นายนัดยังคงเก็บไว้ก็คือเหรียญเงินที่ถูกขโมยมาหญิงคนนั้นบอกว่าให้คืนของขอ ง, ของเธอเธอจะได้หมดห่วงไม่อย่างนั้น เธอจะมาทวงของทุกคืนหรือไม่นายนัดก็จะมีชะตาเหมือนกับเพื่อนอีกสองคนที่ลองดีไม่ยอมคืนของแล้วยังพูดลบลู่กับเธออีกพอพูดจบร่างของผู้หญิงคนนั้นก็หายไปคืนนั้นนายนัดกลัวจนนอนไม่หลับพอถึงรุ่งเชา้านายนัดก็รีบไปหาคุณสมศักดิ์แล้วขอร้องให้ช่วยส่งเหรียญคืน เมื่อนายนัดเล่าจบเขาก็นิ่งเงียบและมือลอยไปนอกหน้าต่างคุณสมศักดิ์จึงพูดต่อว่าวันนั้นเห็นนายนัดเข้ามาหาด้วยท่าทางกระวนกระวายพูดซ้ำๆว่าไม่อยากตายไม่อยากตายพอคุณสมศักดิ์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนายนัดก็ร้องว่าให้ช่วยส่งเหรียญเงินที่เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าที่บ้านญาติกลับไปให้เจ้าของโดยด่วน เพราะเมื่อคืนนี้วิญญาณมาทวงสมบัติที่ขโมยจากหลุมศพไปตอนแรกคุณสมศักดิ์คิดว่าเป็นเพียงอาการจิตร้อนของคนไข้แต่พอเห็นนายนัดทำท่าทางหวาดกลัวมากจึงโทรไปหาญาติของนายนัดแล้วญาติของนายนัดก็พบเหรียญในตู้เสื้อผ้าจริงๆและยังบอกอีกว่าก่อนหน้านี้มีคดีลักศรัพร์จากหลุมศพที่เป็นข่าวดัง ในละแวกบ้านของนายนัดด้วยคุณสมศักดิ์จึงอาสาไปรับเหรียญที่บ้านญาติของนายนัดแล้วนําไปส่งให้เพราะญาติญาติไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับสมบัติของคนตายแต่ก็ยังช่วยหาชื่อและที่อยู่เตรียมไว้ให้ตอนที่คุณสมศักดิ์เข้าไปรับเหรียญพอคุณสมศักดิ์จัดการส่งพัสดุไปตามที่นายนัดขอร้องเสร็จอาการหวาดกลัวของนายนัดก็หายไป ไม่กี่วันหลังจากนั้นคุณสมศักดิ์ก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณสุรีที่ได้รับพั ส, สดุไปแล้วเมื่อคุณสุรีฟังเรื่องราวทั้งหมดจึงบอกว่าคนร้ายทั้งหมดก็ได้รับบิบากกรรมไปแล้วตนไม่อยากจเจาความถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับน้องสาวด้วยอีกสิบวันข้างหน้านี้เธอจะทาบุญครบรอบหนึ่งรวันให้กับสุนี นายนัดได้ยินจึงหันมาพูดว่าอย่างนั้นผมขอไปร่วมงานเพื่อขอขมาคุณสุนีด้วยคุณสมศักดิ์จึงพูดว่าผมจะแจ้งไปทางญาติและขออนุญาตโรงพยาบาลให้แต่ไม่แน่ใจว่าญาตินายนัดจะไปส่งหรือเปล่าคุณสุรีก็เลยพูดต่อว่าจะจัดการเรื่องรถให้และหันมาถามผมว่าฉันขอจ้างคุณเอก ให้พานายนัดไปส่งงานครบรอบหนึ่งร้อยวันของน้องสาวฉันด้วยเพื่อให้เขาได้ขอขอมาเอาโหสิกรรมซึ่งกันและกันคุณจะตกลงไหมผมจึงตอบตกลงจะไปส่งนายนัดให้แล้วเธอก็ยิ้มอย่างพอใจในที่สุดตอนนี้นอกจากจะเป็นคนส่งพัสดุแล้วผมยังกลายเป็นพนักงานส่งคนไปทำบุญร่วมกันกับผี อีกด้วยนะครับสัมผัสสยอง